สื่องความรักเราเป็นสียวนยาวเราใจใรักรันจวนน้ำวาวลาของเลอใจชมเจ้าเยาวยนทุกขมนาร้องครางกวนหัวใจสลาย เป็นอื่นไปแล้ว สุดกันแล้ว ชุ่มเจ้าเยาวยวนถุกุ่มน้ำร้องครางวรวงหัวใจสลาย